พระราชาทรงสดับดังนั้นทรงดำริว่าบุรุษนี้แม้ถูกเราหญิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษล้มแล้วก็ไม่ดา่าไม่ตัดพ่อเราเรียกหาเราด้วยถ้อยคาที่น่ารักดุจนวดฟันหัวใจของเราอยู่เราจะไปหาเขาเสด็จไปประทับยืนในที่ใกล้พระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสี คนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราละแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหามารึกเพราะความโลภอนหนึ่งเราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิน์เรื่องลือว่าเป็นผู้แม่นยำนักแม้ช้างมาสู่รัศมีลูกศรของเราก็ไม่อาจพ้นไปได้บรรดาคำเหล่านั้นคําว่าเราเป็นพระราชาราชาหัมัสมิความว่าได้ยินว่า พระเจ้าปิละยักษ์นั้นมีประดําริอย่างนี้ว่าเทวดาก็ตามนาคก็ตามย่อมพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้จักคู่นี้ว่าเป็นเทวดาหรือนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธจะทําให้พินาศได้เมื่อกล่าวถึงเราว่าเป็นพระราชาใครๆที่ไม่กลัวย่อมไม่มีเพราะเหตุดังนี้นั้นเพื่อจะให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระราชา จึงได้ตรัสก่อนว่าเราเป็นพระราชาดังนี้แนมนบผู้เจริญเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคือของชนผู้อยู่ในกาศิกรัฐคำว่าเรามังได้แก่ประชาชนรู้จักเราด้วยนามว่าพระเจ้าปิละยักษ์คำว่ารู้จักวิทูได้แก่รู้คือเรียก คำว่าเพราะความโลภโลภาความว่าเมื่อบราชสมบัติแก่พระชนนีเพราะความโลภเนื้อมรึกคำว่าแสวงหามารึกมิฆเมสังได้แก่เสาะหาคือค้นหาเหล่ามารึกคำว่าเราเที่ยวจะรามะหังความว่าเราเที่ยวไปในป่าผู้เดียวเท่านั้น พระราชาประสงค์จะแสดงกำลังของพระองค์จึงตรัสคาถาที่สองบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในธนูศินป์อิศสัตเถได้แก่ในศินละปะยิงธนูคำว่าผู้แม่นยำนักทัลหะธรรมโมความว่าเป็นผู้สามารถโกงและลดซึ่งธนูอันหนักคือธนูหนักพันแรงคนยกได้ได้ยินกันแพร่หลาย คือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปคำว่ามาสูระยะลูกศร อ, อาคโตอุสุปาตะนังความว่าช้างที่มีกำลังมาในที่ลูกศรของเราตกก็ไม่พ้นจากที่ไปได้ถึงเจ็ดเก้าพระราชาทรงสรรเสริญกำลังของพระองค์ดังนี้แล้วเมื่อจะตรัสถามชื่อและโคดของพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าท่านคือใคร หรือเป็นบุตรของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านจงแจ้งชื่อและโคตของบิดาท่านและตัวของท่านบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจงแจ้งปะเวทยะได้แก่พึงบอกพระมหาสัตว์ได้สดับดังนั้นแล้วดำริว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นเทวดานาายักษ กินนอนหรือเป็นกษัตริย์เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งพระราชานี้ย่อมเชื่อคำของเราเราควรกล่าวความจริงเท่านั้นดํริชนีแล้วจึงทูลว่าขอจงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์เมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่ว่าสามะวันนี้ข้าพระองค์ถึงปากมรณะนอนอยู่อย่างนี้ ข้าพระองค์ถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรใหญ่อาบยาพิษเหมือนมรึกที่ถูกพรานป่ายิงแล้วฉะนั้นข้าแต่พระราชาขอพระองค์จงทอดพระเนตรข้าพระองค์ผู้นอนจมอยู่ในโลหิตของตนเชิญทอดพระเนตรลูกศรอันแล่นเข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่เป็นผู้กระสับกระสายขอทูลถามพระองค์ว่า พระองค์ยิงข่าพระองค์แล้วจะซ่อนพระองค์อยู่ทาไมเสือเหลืองถูกฆ่าพระหนังช้างถูกข่าพระงาเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์เข้าพระไยว่าข่าพระองค์เป็นผู้ควรยิงด้วยเหตุอะไรเนอะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าขอจงทรงพระเจริญพันทันเตความว่าข่าแต่พระมหาราชผู้มีพระพักงาม ขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรนายพรานคำว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ชีวันตังความว่าญาติทั้งหลายเมื่อกล่าวเมื่อเรียกข้าพระองค์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่เมื่อก่อนแต่นี้ว่ามาเถิดสามะไปเถิดสามะก็ได้เรียกกันว่าสามะคำว่าวันนี้ข้าพระองค์ถึงปากมรณนะ อย่างนี้สวาดเชวังคะโตความว่าวันนี้ข้าพระองค์นั้นไปคือถึงคือเข้าไปในปากแห่งมรณะแล้วอย่างนี้คําว่านอนอยู่สะเยได้แก่นอนอยู่ยนอนอยมรึกถูกพันป่ายิงด้วยลูกศรใหญ่อาบยาพิษฉันใดแม้ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นคือเป็นผู้ถูกพระองค์ทรงยิงอย่างนั้น คำว่านอนจมปริปลุโตความว่านอนจมขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์ผู้นอนอยู่เห็นปานนี้คำว่าทะลุออกข้างซ้ายปติวามะขะตังความว่าเข้าทางข้างขวาแล้วทะลุออกทางข้างซ้ายคำว่าเชิญทอดพระเนตรปัสสะได้แก่โปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์ คำว่าบ้วนถิมหามิได้แก่บ้วนอยู่พระมหาสัตว์นั้นดำรงสตินั้นไม่วันไหวเลยถมโลหิตตรัสแล้วด้วยประการชน้คำว่าเป็นผู้กระสับกระสายอาตุโรความว่าข้าพระองค์เจ็บหนักขอทูนถามพระองค์คำว่าซ่อนนิลียะสิความว่า ประทับนั่งซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แห่งหนึ่งคำว่ายิงวิเทยังได้แก่พึงยิงคำว่าเข้าพระไทยอัญยะะัะความว่าได้เข้าใจว่าเหมือนมรึกพระราชาทรงสดับคำของพระมหาสัตว์แล้วไม่ตรัสบอกตามจริงเมื่อจะตรัสคำเทศจึงตรัสว่าแน่สามะ มรึกปรากฏแล้วมาสู่รัสมีลูกสรเห็นท่านเข้าก็หนีไปเพราะเหตุนั้นเราจึงเกิดความโกรธบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าก็หนีไปอุปพิชิได้แก่หลบหนีไปคำว่าเกิดอาวิสิได้แก่ท่วมทับพระราชาทรงแสดงว่าความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเพราะเหตุนั้น